ตามดูความคิดและจะไปถึงไหนในขณะที่คิดไปนั่นบางทีมันก็มีสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างคือเกิดดีใจเสียใจไปตามเรื่องตามราวของมันเอาสติตัวเดียวรู้รู้รู้จ้องดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรทีนี้พอเราปล่อยปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยไปธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีถ้าพลังงานเขาพร้อมจิตมีความมั่นคงคือสมาธิสติสัมปะชัญญะรู้พร้อมเตรียมพร้อมอยู่เสมอไปถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะหยุดนิ่งและสว่างสวยัยความคิดที่ผ่านมานี่มันจะเป็นประหนึ่งว่ามีอะไรไปวิ่งวนอยู่รอบจิตอยู่ตลอดเวลา แต่จิตหาได้วันไหวไม่ถ้าหากว่าได้อ่านหนังสือมุตโตไทยถีติงผูตังของหลวงปู่มั่นคือตรงนี้ในพระสูตรที่มีในคำภีธรรมะติตตาธรรมนิยามตาธรรมะติตตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยัย ธรรมนิยามตาเพราะความที่สภาวะทั้งหลายมีอาการเกิดดับปรากฏการให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเป็นเสมือนหนึ่งว่าจิตที่นิ่งเด่นอยู่นี้ก็เป็นตัวหนึ่งแต่สิ่งรู้ทั้งหลายนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคล้ายๆกับว่ามันแยกกันเป็นสองจิตสองใจหรือบางทีมันอาจจะปรุงแต่งคิดของมันอยู่ แต่ว่าตัวนิ่งมันจะนิ่งอยู่เฉยๆบางครั้งมันจะปรากฏเป็นสามิติมิติหนึ่งคิดปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดอีกมิติหนึ่งจะคอยจ้องมองดูอยู่อีกมิติหนึ่งจะหยุดนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายอันนี้ในช่วงที่จิตกับกายยังสัมพันธ์กันอยู่ แต่ถ้าในจุดที่หยุดนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายแต่สภาวะสิ่งรู้ทั้งหลายมันจะมีปรากฏให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาซึ่งหลวงปู่มั่นท่านบัญญัติศัพท์ของท่านว่าถิติภูตังแต่ในพระสูตรธรรมะทิตัตตาธรรมนิยามตาสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน หรือสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมัยที่ยังไม่เป็นสังฆราชยังเคยรับสั่งถามหลวงพ่อท่านถามว่าทิติภูตังของหลวงปู่มั่นหมายความว่าอย่างไรหลวงพ่อก็สวดมนต์ถวายท่านธรรมะทิัด ต, ตาธรรมนิยามตาพอท่านได้ยินเข้าอ๋อมันที่ตรงนี้เองเราก็ยังนึกไม่ถึงเลย